นั่งตามสบายยกมือฟังไปด้วยนะแล้วก็เอามือพยากขี้เ ก, ย ก, กียจยกเกาะเอามือขวาหดึงมือซ้ายแบะไ้แล้วเอานิ้วชี้ดึงหัวแม่มือสัมผัสตรงกลางมือนะ่ะถูไปถูมานะพลวงพ่อกำเขียนหลวงพ่อนั่งตัใกล้อ่ะท่านไม่นั่งเฉยเฉยนะท่านเอามือนิ้วชี้กับหัวแม่มือสัมผัสกันอยู่ทําสัมผัสเบาๆท่านฟังพระเทศหรือฟังอะไรท่าน ท่านทำอยู่ปกตินั่งรถไปกันเหมือนกันนะท่านไม่นั่งเฉเฉท่านกระดิกเอามือเอามือเขี่ยมือเอามือเขี่ยมือสัมผัสอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็ฟังไปด้วยท่านจุคุณวัด พ, พระนรจักสรีประเด็นกาปรปยคจกปริยตีเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีองค์นั้นก็เหมือนกันเวลาท่านเทศท่านบอกให้โยมยกมือฟังฟังไปด้วยแล้วก็เวลาท่านฟังอุนเทศท่านก็ยกมือไปด้วยท่านเอา ความรู้สึกซื่อๆเป็นหลักเลยพระมาไหลก็บอกว่าความรู้สึกตัวซื่อๆนี่นะเป็นขั้นต้นของการพ้นทุกข์ดับทุกข์เป็นขั้นขั้นกลางของความพ้นทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายของความพ้นทุกข์คือเป็นขั้นต้นของพนันธุ์านนั่นเองเป็นขั้นกลางของพนันธุพานเป็นขั้นสุดท้ายของพันธุ์านคือความว่างทุกข์นั่นเองท่านตัดอย่างนี้เลยเนี่ก็มาเราก็ทําไปลวงพ่อก็เขียนกระยิบตัวนี้แหละ รู้สื่อซืรู้เฉยเนะ่ยไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรก็รู้รู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยรู้ป่าเปรู้บริสุทธิ์เนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวรู้ที่พ้นทุกข์พ้นะปัญหายินทีเทศเมื่อกี้นี่มาร์กีงองแปดแปดอริยสัจสนี ท, 4, นะทีนี้เขาเล่าว่าแปดรวมหนึ่งเอดอวันสี่รวมหนึ่งฟอวันที่เรากินเครื่องดื่มมาไฟอินวัน 4 in 1, น in 1, 2 in 1ทเนี่ยที่กินเครื่องดื่มต่างๆเขาเขียนไว้นะมันรวมเป็นหนึ่งที่แปดแปดรวมหนึ่งอ็ดมันรวมได้ยังไงนี่วิธีพูดเนี่ยแล้ววิธีทำมันจะรวมได้ยังไงก็คือความรู้สึกตัวซื่อๆนี่แหละน่นั่นแหละยกมือขึ้นรู้สึกซื่อๆรู้เฉยๆเท้าเดินจงกรมก็เฉยๆหายใจเข้าก็รู้สึกเฉยๆหายใจออกก็รู้สึกเฉยๆเนี่ยรู้เฉยๆอะไรกระทบตาเห็นรูป รูปกกระทบตาใจรู้เฉยเสียงกระทบหูรู้เฉยเฉยผ่านไปจมูกกระทบกลิ่นรู้เฉยเฉยแล้วก็ผ่านไปลิ้นกระทบรสรู้เฉยเฉแล้วก็ผ่านไปการสัมผัสเย็นร้อนอนแข็งนุ่มเด้งแล้วก็ผ่านไปใจรู้ธรรมอารมณ์รู้ความคิดรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตนะมโนภาพมันเกิดขึ้นในจิตรู้เฉยเฉยนะทั้งฝ่ายดีรู้เฉยเฉยฝ่ายชั่วก็รู้แล้วก็เฉยนี่ตัวเฉยเฉยตัวนี้นะรวม มารวมหมดเลยนะเป็นสามะคีมัคสมังคีมัครวมกันรวมเป็นหนึ่งอันนี้แหละให้เราเข้าใจทีจนี้พอเห็นทุกมันจะเห็นเหตุเกิดทุกข์ด้วยแล้วก็เห็นนิโรธ ด, ด้วยเห็นมัคด้วยนะก็คือคือตัวเห็นรู้ตัวรู้แจ้งนี่เองตัวโพธิโพธิแปบลบว่าตัศสุตัศสุแปลว่รู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้ขนาดปัจจุบันรู้อย่างไรก็ผ่านไปไม่ยึดไม่จิตไว้ เขาเรียกวก่าภูติแต่ส ร, รู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วไม่ติดอารมณ์นั่นไม่ติดนะอารมณ์ตัดขาดลงพ่เถียนมาต่อไม่ติดตัดขาดะคือหลุดพ้นนั่นเองหลุดพ้นจากอารมณ์นั่นหลุดพ้นจากความยินดียินไล่หลุดคนจากความรักความชังหลุดพ้นจากความพอใจไม่พอใจที่สามมาสมาที่ที่ส่วนเมื่อกี้เนี่ยมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอเวคาแล้วเลยอยู่นะเพราะละทุกข์และสุขเสียได้ไ ม, ไม่ติดทุกข์ไม่ติดสุขกก น, นะเฉยเฉยนั่นเอง มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิล์ละเวขาแล้วเลยอยู่แลอยู่ก็คือเห็นอยู่รู้อยู่นะรู้แจ้งอยู่นั่นเองนี่กระทาที่ตัวเราทําที่กายทําที่ใจเนี่ยไม่ใช่ดิงดับลงไปดึงดับนั่นเป็นฌานพอมันาการดิงดับนั่นมันหายไปเจออารมณ์รักก็รักเจออารมณ์เกลียดก็เกลีกกยดก็โกรธใช่ไ ย, ยิ่งโกรธ ย, ยิ่งกเก่าอีกเพราะว่าอะไรเพราะมันเข้าไปติดความสงบนะติดความดึงดับแนละ้วติดความไ ม, ไม่ไม่รับรู้อะไรลนะ เคยสงบสงบแบบหลับสงบแบบตายแตเจ๊ที่พีปรัสนาที่พระพุทธเจ้าสอนหลวงพ่อเทียนสอนนี่นะสงบแบบรู้อยู่สงบแบบตื่นอยู่สงบแบบใจเบิกบานอยู่ไม่สงบแบบหลับไม่สงบแบบตายไม่สงบแบบสงบเข้าใจไหมสงบแบบรู้แจ้งเห็นจริงอยู่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันรู้รู้สื่อซื่อรู้ใช้ใช้รู้เปล่าเปลอ่ารู้กลางๆรู้ว่างๆงรู้ปกติ รู้อุเบกขาวางเฉยอยู่รู้สงบอยู่ตัวนี้คือคันอิปานนี่ผมก็เทียนท่สรุปสรุปให้ฟังนะความรู้สึกรู้สึกที่มาสัมผัสตากระทบรู ป, ปรู้สึกเฉยเหูกระทบเสียงกระทบเฉยเฉลิ้นกระทบรสเฉยเฉยจมูกกระทบกลิ่นเฉยเกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแขง็งนุ่มแน่นหยาบก็ได้เฉยใจรู้อารมณ์ก็เฉยรู้ความคิดก็เฉยรู้ความซื่อซื่อก็เฉยเฉยอยู่นี่แหละท่เรียกว่าวักเรียกว่า ก็เรียกว่ารู้สื่อๆรู้เฉยเฉยรูเปล่าเปล่ารูาปกติรู้กลางกลางรูว่างๆรู้บริสุทธิ์นะรูหลุดพ้นทุกคือตัวนี้เองคือตัวเขาเรียกมรรคผ่านท่านเคยสรุปใครเคยฟังแท่งหลวงพรเทียนบ้างเขาบอกให้อยู่กับมรรคผ่านอยู่กับปกตินี่เองนะกินกับนิพคานไปกับมิพคานพูดกับนิพคานคิดกับนิพคานทําอะไรกับพระมรรคผ่านนะอะไรแบบนี้เคยได้ยินไหมหลวพ่อเคยได้ยินมาพอไปอยู่ที่มุนที่มา วันที่ทิ้งเขาจะไม่เปิดธรรมะใครเลยเขาจะเปิดแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยแล้วก็เปิดให้ฟังเปิดให้ฟังทางวัดเหมือนเรานี่แหละวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยก็เปิดหลวงพ่อเทียนให้ฟังธรรมะอื่นเขาจะไม่เปิดให้ฟังเลยเบอกก็ไปอยู่ที่นั่น อ, อาจารย์อนเนกจะให้ประจำภาษาที่นั่นทีนี้อาจารย์มหาสังคมนั่นคณเรียนปริญญาตรีอยู่อาจารย์อนเนกเขาบอกว่าที่วัดโบกนี่ให้ปฏิบัติเริ่มสติอย่างเดียว ไม่ให้พวกนักเรียนมาอาศัยเรียนที่นี่ไม่ให้จบที่นี่เหมือ น, นย้ายไปอยู่กรุงเทพให้ไปจบที่อื่นเหมือนกันคือไม่ไลออกแล้วให้ย้ายไปเฝ้าพุทิธีนั้นกระจบปริญัตีไปแล้วจบเรียัติประโยชนไปแล้ ว, ลวให้ไปอยู่ที่นั่นเหมือนไม่ให้พระพวกเรียนปริญัติีมาจบที่นี่เหมือนเรียนทังโลกมาจบที่นี่ทั้วันอย่างเงี้นะแต่ให้ปฏิบัติอย่างเดียวที่นั่นเราก็ไปอยู่ให้หลวงพ่อไปเฝ้าวัดอีกวัดหนึ่งคือวัดที่ข้างอยู่ด้านหน้ากรมทหารจังหวัดขอนแก่นเลยนะ เขบอกภาคขี้เหล้าไปอยู่ที่ น, นั่นมยกินเหล้าเม า, าใหญ่แค่อมาไปก็ไม่ไปเลยเลยสมัครเข้ามาอยู่เก็บอารมณ์สี่สิบปันที่นี่นะเราก็ถอยจำภาษาที่นี่เลยคือหาทางออกโดยสุภาพเรียบร้อยที่สุดไม่ปฏิเสธไม่อะไร <c oughs> นะไม่คัดค้านอะไรแต่ว่าขอมาเก็บอารมณเ์เก็บอารมณ์แล้วขออยู่ต่อเลยหวงพ่อคำเขียนก็ชวนตายที่นี่ชวนตายที่นี่ไหมตายที่นี่ไหมชวนสองทีหวงพอก็เฉยอยู่นี่มาถามหลวงพ่อกมถามอาจารย์สงศรร์่า ถ้าผมตายทีนี้จะเผาให้ไหมอ่ายินดีเผาให้เออเอ า, เอาก็เลยไปบอกหวงอเขียนครับผมจะอยู่แต่ว่าออกพรรษาแล้วนี่จะขอไปสายงานหน่อยสายงานหลวงพ่อเทียนนะี่ไม่มนะีพระไปช่วยในะพระไปช่วยก็พระชีโมชขี้คุยชวนยงคุยไปขายยาให้เงนะี้ยน่ะจีนนั่นเองโอ้โห พ, พาปฏิบัติจริงๆเนอะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะแต่ก่อนนี้มาใหม่ใหายหลวงพ่อเทียนนี่พระพี่เลี้ยงคุมเข้มน่าดูเลยคุมหน้ากลัวดูนะ พ่อก็เลยได้ดีเพราะพระผี่เลี้ยงขุมเข็มนะเก่งใจพระผี้เลี้ยงนะเขาจะหาว่าเราไม่เอาจริงขี้เกียจขี้ค้านเนะ่าไม่ปฏิบัติเลยแล้วยกมือแข็งตะพื้เลยยกไปยกมาเจนิสติมันจับจุดเท่าเนนะี่ยรู้สึกตัวมื่รู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกเปล่าๆมันไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วก็เหมือนยกมือขึ้นมาเหนะมือนก็เทพดามาช่วยยกมือสบายจริงๆเลยเลยบาสบายก็เลยนะ เ, ขเข้าใจหลวงเทียนอ๋อ ไอ้ความรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกเปล่าๆรู้สึกกลางๆรู้สึกว่างๆเนี่ยมันเป็นจิตไม่ปรุงแต่งนะไม่นึกไปคิดอะไรมันก็เคยไปไปรู้จักจิตที่มันบริสุทธ์นะจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตบริสุทธ์คือมันไม่คิดไม่นึกอะไรมันรู้อะไรมันกระทบอะไรมันเฉยอยู่เนี่ยเข้าใจเนี่ยเข้าใจโดยวิธีทมไม่ใช่วิธีจําวิธีพูดวิธีคิดอะไรไงเลยเข้าใจลูกโมเทียนเลยโอ้โนี่มเทียนทีนี้ก็ไปอินเดียเนี่ย สี่ิบเอ็ดวันไปถึงไปเห็นที่ประสูตัสเซอุปอนิพานน่ะไปเก็บก้อนหินเอามาเก็บใบโพเอามาอ๋อพุ่งขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> พ, พระพุทธเจ้าอยู่กับหลวงพ่อเทียนน่นเหมือนกันอยู่กับตัวสติอยู่ความตัวโ น, นุ่นเหมือนกันอยู่ที่นุ่นไม่ใช่อยู่ที่นี่อันนี้เป็นประวัติเป็นเรื่องราวเฉยเฉยเหมือนกันเป็นหลักฐานอยู่กับตัวสติตูวความตัวซื่อๆเหอนกันพอกลับมาก็เข้าไปวัดป่าเขาคงคาทันทีเลยเขากําลังเก็บอยู่ หลวงเขาเข้ามาที่ยี่สิบนึงไงหลวงพ่อมาที่ยี่สิเอ็ดวันที่22ก็บสองเข้าปฏิบัติธรรมเลย เ, ยเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเจอพระเทพเทพสเปสปะไปเลยมาพูดอย่างเทนูตว่ารรรผิดผิดถูกถูกพูดทรงเดชไปไงนะเขบอกว่ายมปากยมเนี่ยเขี้ยวหมากปากดำมันดากไเขาว่าก <c oughs> ี่ใบนีอวาพูดไปไง้เลยพูดไปเลยเที่ยนี้ ขาอ่อนยมนะอาตมาไม่หูไม่เห็นหรอกไไม่ย่มไม่เห็นขาอ่อนอาตมาหรอกไงเสร็จแล้วก็โดดร่มไปดมขาอ่อนยมอนั่นแหละเราพอฟังแล้วเฉยเลยฟังแล้วเฉยนะไม่จีไม่ชมว่าะเขาเพชรเพื่อที่ถูกโอนี่ตัวเองตัวอุเบกขาตัววางเฉยเนี่ยตัวรู้สื่อๆอย่างนี้เองนะไม่จีไม่ชมเขาไม่กดไม่เกลียดเ้าเลยไม่แทพงโทษจะผิดเขาเลยจับได้เลยอ่านี่แหละจับได้เพราะองค์เทศนี่เรียกพวกอาตมาก็เลยเวลาฟังเทศที่ไหยกมือแข่งทีเดียว โจกหูฟังอาจารรู้เรื่องเขาเทศรู้ชัดด้วยนะรู้ชัดด้วยแล้วก็จับความรู้สึกตัวได้ชัดด้วยบางทีความรู้สึกตัวมันหลุดออกไปไปจับคําเทศขึ้นน่ะอ้อหลุดแล้วมันรู้เลยมันรู้คือความรู้สึกมันไม่รู้สึกตัวเลยไปรู้ที่เขาเทศทีน่ะกลับมาอ้อหลุดแล้วทีน่ะรู้หลุดได้ไวรู้ว่างด้วยไวอ่ารู้เผลอด้วยไวรู้ได้ไวขึ้นน่ะอ่นั่นแหละก็เลยตัวนี้เองตัวฝึกที่เรามาฝึกนี่ก็ฝึกตัวรู้ตัวโพธิตัวจัตสรู้นี่แหละ โพธิจัตสรู้แปลว่ารู้แจ้งรู้จริงนะรู้ขณะปัจจุบันจัตสรู้พรนะสัทยอยนี้กัตสรู้จรัสรู้3ามคำนี้ก็คือตัวโพธิคือตัวจัตสรู้รู้แจ้งอารมณ์นั่นเองรู้แจ้งใจนั่นเองรูนะ้กายมันเคลื่อนไหวหลักใจรู้สึกนะดูกายากายที่เราดูนะีนะ่มันก็จะเป็นตัวกระจกย้อนให้มาดูใจให้ดูใจอีกทีนะนะนะึดูกายก็เห็นใจเห็นอยู่นะั่นแหละเนะพราะว่า ตัวผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเขาเรียกสติและสัพพัญญาเนี่ยนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเข้าไปดูมันมันจะเห็นดูตัวมันเองด้วยนะผู้ดูดูดูผู้ดูจิตดูจิตใจดูใจธาตุรู้ดูธาตุรู้สติดูสติความรู้สึกตัวมันจะดูความรู้สึกตัวเองมันจะย้อมมาดูมันเองนะเพราะมันเป็นผู้รู้เนี่ยมันต้องรู้สุกอย่างรู้สิ่งที่ถูกรู้คือรู้มือรู้กายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้รู้สิ่งที่รู้คือรู้ตัวมันเองนั่นเนี่ยอัติหิอัตโนนาโถต้นพึ่งตนอ ตัวอย่างนี้เองอ่ามันพึ่งมันธรรมชาติพึ่งธรรมชาติได้อ่าตัวรู้พึ่งตัวรู้ได้มันพึ่งกันอย่างนี้เองนี่เราพูดแต่ว่าตนพึ่งตนนั้นเราพูดตามภาษาสมมติจริงที่ธรรมะพึ่งธรรมะเฉยธรรมชาติธาตุรู้สติพึ่งสติสัพพัญญะพึ่งสัพพัญญะปัญญาพึ่งปัญญาพึ่งพึ่งยังไงพึ่งแล้วมาได้ผลประโยชน์อย่างไรผลประโยชน์ก็คือมันไม่ติดอารมณ์มันรู้เฉยเฉรู้เปล่าเปลรู้ซื่อรู้ไม่ทุกข์นะรู้ไม่ติดสุขไม่ติดทุกรรู้ไไม่เป็นอะ แล้วามก็เขียนไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คื อ, คอลูปเฉยๆรูปเปล่าๆเนี่ยรู้ไม่ไม่มียินดีไม่มียินไล่เพราะละความยินดียินไล่เสียได้เพราะละความพอใจมาพอใจเสียได้มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอเบิกขาแล้วแล้วอยู่เนี่ยเหมือนกันเนี่ยที่เราทํานั้นนี่ก็มันเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งตัวปัญญาศีลคือปกติปกติไม่่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิในการมปกติใจซื่อๆเฉยๆอยู่เนี่ยในทีนี้ เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาสมาธิก็คือตัวนิ่งเฉยๆพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะทําการงานพร้อมที่จะรู้สึกตามธรรมชาติมันเป็นอนิจจังก็รู้มันเป็นอนเป็นอนิจจงคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถูกกดถูกบีบถูกขั้นทนไม่ได้ทนอยู่อย่างเก่าไม่ได้ทนสวยสดงดงามอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่สุดโทมอันนี้อนัตตาบังคับไม่ได้บไม่ฝังไม่เป็นไปตามไป ใจปัญนาไม่ความแปรปวนไม่ควรตามเหตุและเป็นตัวเราทีนี้ในขณะที่เรารู้ปัจจุบันรู้แจ้งก็รู้คือรู้อนิจจังเนียรู้ทุกขังรู้อะไรตารู้ตามที่มันเป็นจริงอย่างแรกก็ปล่อยวางไปทีนี้ที่รูปแบบอัลลิชสีนั้นเป็นรู้ตัวโง่นะรู้ตัวรู้ตัวโง่รู้ตัวหลงรู้ตัวบาปรู้ตัวอยากรู้ตัวยึดเนี่ยรู้ตัวนั้นเป็นตัวรู้ที่ออกจากตัวโง่ตัวหลงตัวทุกเนี่ยแต่ รู้ไอ้ยศศีเออรู้สติปัฏฐานสรู้ไอ้ตัวนี้อนิจจังทุกขังไอ้ตามพระไตรลักษณ์เนี่ยรู้เฉยเฉยรู้สื่อๆไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันนะไม่ต้องไปแก้ไขไอ้มันทีนี้รู้อยศศีรู้ต้องแก้ไขนยรู้มันมันยากไม่ยากมันโกรธไม่โกรธมันโลบไม่โลบมันหลงไม่หลงเนี่ยนี่คือออกเป็นรู้ออกจากไอ้ตัวกิเลสเป็นรู้รู้หลุดรู้พ้นรู้ตัดเลยนะแต่รู้พระไตรลักษณ์ไม่ต้องมาทำอะไรมัน รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆทีนี้รู้อริยสัจสีก็รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆเหมือนกันมันก็มาตรงกันพอดีนะมาตรงกันพอดีก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเข้าใจรู้เปล่าๆรู้ซื่อๆรู้เฉยๆตัวนี้แหละเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์นะเป็นตัวรู้ที่สะอาดสว่างสงบเป็นตัวรู้ที่หลุดพ้นทุกเป็นตัวรู้ของพระนิพพานนี่แะถ้าเราสัมผัสอะไรแล้วใจเราเฉยเฉย นะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่หลงไม่มีสะดุ้งไม่มีกลัวไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีความคิดวิพากษ์วิจารณอยู่ในนั้นนั่นเน่ยตัวรู้นั่นอ่ะก็เรียกรู้แบบพันิพานรู้สเฉยรู้ว่างๆผู้ท่านบอกว่าทำงานทุกชนิดโดยจิตว่างก็คือจิตว่างว่างจากกิเลสอ่ะว่างจากความนระคิดปรุงแต่งว่างจากดีใจเสียใจว่างจากความพอใจไม่พอใจนะว่างจากความกลัวความสะดุ้งว่างจากตัวตนนียว่างจากสัตว์บุคคลตัวๆเราเขาเนี่ยนั่นแหละทางานก็ทํางานพันธิพานมาตรงกับหลง มาตรงกับหลวงพ่อเทียนมาทํางานด้วยพันิพานณ์มาตรงกับหลวงพ่อเขียนบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่มีอะไระทำํำสักแต่ว่าทําเฉยๆเป็นกิริยาเป็นอาการเฉยเป็นอาการของธรรมะเป็นกิริยาของธรรมะเฉยๆไม่เป็นอะไรอ่มาตรงกันพอ ด, ดีคําพูดสมมุตินะมันพูดอ่าพูดไปร้อยแปดพันประการพูดไปอย่างที่มโนแบบธรรมะมีแปดหมื่นสนะี่พันธรรมะขันย่อลงแล้วมีหนึ่งเดียว คือคนคือพนันธุ์ผ่า น, านคือคนทุกข์กันเองคนทุกข์กนเองมีคําเดียวเองนี่เราฟังกันเมื่อกันฟังไม่ต้ออะไรมากฟังเพื่อรู้ทุกข์และกระดับทุกข์เอาแค่นี้พอที่เขาพูดมาพูดผิดพูดโูกพูดเนี่นก็ช่างแล้วเอาความเข้าใจว่าเพื่อรู้ทุกข์และดับทุกข์แล้วทีนี้เอาเอาวิธีทำสีนี้วิธีทำ ท, นะ ท, ท ำ, ทำยังไงทีนี้รู้วิธีพูดรู้วิธีเข้าใจรู้วิธีทำก็คือเจริญสตินี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจิตท่านละเอียดจิต นั่นท่านจึงเอาตัวรูปรูปของลมลมหายใจเข้าเกิดดับให้ดูนะหายใจออกเกิดดับให้ดูแต่พวกเราเนี่ยจิตมันค่อนข้างจะไม่ค่อยจิตหนักหน่วงจิตค่อนข้างจะหยาบหน่อยจึงใช้ตัวหนักหนักใช้การเคลื่อนไหวของมือเคลื่อนไหวของเท้าเคลื่อนไหวของกายนี่ยนะเดี๋ยวก็เรียกว่าก็เรียกว่าสัปพพัญญะบัพภะดูกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวก็เกิดดับพอมันเคลื่อนปื้ดนะพอหยุดวั๊บแอคแอรเคลื่อนไหวก็ดับไปพอหยุดนิ่งอยู่ มาเกิดอาการนิ่งข <Okay. S 2> like ึ้นมาพอเคลื่อนไวปั๊บอาการนิ่งก็หายไปนี่แหละก็เกิดดับเห็นเห็นเห็นการเกิดดับนี่เห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานี่ก็เรียกว่าเห็นทุกก็เรียกว่าเห็นธรรมทุกท่านั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นตั้งอยู่ทุกท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกก็คือภายในภานะภายในภานไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการดับมีอยู่เป็นอนันตการแค่นั้นเองนะมีอยู่เป็นอนันตการ ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงน่ะมีอยู่เป็นอันตการมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความไม่หลงมีอยู่เป็นอันตรการเลยน้ำที่จิตไปสัมผัสคลูกเข้าตรงนั้นก็เรียกว่าจิตถึงพันธิพานที่ตัวจิตมันก็เกิดดับอยู่น่ะแต่มันเกิดดับด้วยความไม่ทุกข์เกิดดับด้วยความไม่ทุกข์มันเป็นทุกข์แบบพระใจรักเฉยแต่มันไม่ไม่ใช่ทุกข์เพราะสัรหาไม่ใช่นุกเอนิชสีนั่นแหละทุกมันทุกเกิดดับตามเหตุปัจจัยเพราะรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ไป นามะรูปังอนิจังกายใจไม่เที่ยงนามะรูปังทุกขังกายใจไม่เป็นทุกข์ทนยากทนลำบากสุดแล้วก็ทนไม่ได้นามะรูปังอนัตตานามรูปกายใจเป็นอนัตตาที่เขาสรุปว่าสัพเพทำมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทีนี้พันธิพาณก็เป็นธรรมเหมือนกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่พันธิชาญนั้นอยู่เหนือเที่ยงอยู่เหนือความทุกข์เลยนะไม่มีเที่ยงไม่มีทุกข์อยู่ <necessary. S 2> <Spain>. no, ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเกิดไม่มีดับเป็นั้นคงอยู่อย่างนั้นเป็นความว่างอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่านิพานเขาเรียกว่าว่างว่างจากกิเลสว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงว่างจากความนึกคิดปรุงแต่งว่างจากดีใจเสียใจว่างจากรักว่างจากชังว่างจากติว่างจากชมว่างจากกลัวตายไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปนี่เป็นอาการของลูกกับน้ำที่เช อาการหลวงพ่อเขียนใช้คําว่าอาการอาการเกิดขึ้นอาการตั้งอยู่อาการดับไปอาการแก่อาการเจ็บอาการตายนี่เป็นอาการของรูปกับนามที่เฉยไม่ใช่เป็นอาการของพันธิพานพันธิพานนั้นเป็นเป็นความว่างนะเป็นความว่างความว่างก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีแล้วจะรู้จะรู้ได้ยังไงว่ามีนะบ้างคือไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเข้าไปแสงเข้าไปปนกับสุญญากาศนะสุญญากาศมันก็มีมีธานดินแข็งของแข็ง ธาตุดินกินน้ที่ธาตนุน้ำเหลวไหลเ อ, อ่อบาบซึมซาบธาตุลมอ า, อากาศลมตัวนี้พัดไปพัดมาเคลื่อนไหวตึงแข้งลมธาตุไฟก็อุ่นร้อนเผาไหม้อากาศธาตุภาษาบาลีเาเรียกอากาศัตธแต่ภาษาไทยเรียกอากาศหรืสุญญากาศนี่สุญญากาศกิบในตัวนี้ก็เรียกปลวกไหวธาตุาว่างน่มันจะมาเข้ากับพระนิพานพอดี ท่านว่างเองนะแต่ว่าพระธนิพาน์ไม่ใช่ท่านว่างอมันเป็นท่านว่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นท่านว่างจากกิเลสเขาโมดเขาเอาตัวนี้ว่างจากตัญหาความทะยานอยากว่างจากความยึดมั่นอุปทานว่างจากกิเลสความจิตเศร้าหมองเนี่ยว่างจากตัวนี้ที่ว่างแบบไม่มีอะไรเลยนั่นมันมีอยู่มีความไม่ทุกข์มีความไม่คิดปรุงแต่งอะมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเยนแต่ว่างบบสุจริตนั้นมันไม่มีอะไรเลยนแต่ว่างแบพระธนิพานธ์เนี่ยมี มีความว่างมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความไม่หลงมีความไม่ทุกข์มีแบบไม่มีเรียกอะไรให้เราเข้าใจตัวนี้พอเราเข้าใจตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เราจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็ทํากับพระ น, นิพพานเกิดมาทําไมพระท่านบอกว่าเกิดมาเพื่อรู้ทุกข์และไม่ทุกข์เว้ยเกิดมาเพื่อความไม่ทุกข์เว้ยสงสารอย่างนี้คนในโลกนี้สังคมนี่ยมเสรษภาพรบกันตายหมดโลกเหลือเราคนเดียวคงไม่ทุกข์เว้ยอรอยางเง้ย Watering, ไม่ทุกเว้ยไม่มีอาหารจะกินก็เก็บพลไม้รากไม้กินก็ได้ไม่ทุกเว้ยเกิดมาเพื่อความไม่ทุกข์นี่นี่ที่ธรรมชาติเนี่ยมันสร้างตัวมันเองขึ้นมาให้ตัวมันเองรู้จักตัวมันเองถ้ามันเกิดขึ้นแล้วดินน้ำลมไฟอาการธาตุเกิดขึ้นแล้วไม่มีวิญญาณธาตุไม่มีธาตุรู้แล้วมันจะรู้ว่าอะไรสิ่งนี้มีหรือไม่มีนะสิ่งนี้มีหรือไม่มีธาสร้างฆ้ังฆาณีมีหรือเปล่าก็ไม่มีพระทิตย์มีหรือเปล่าก็ไม่รู้พระจันทร์มีหรือเปล่าโรคมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ จะต้องมีบินลานท่านรู้ขึ้นมาก็ตัวมันเองสร้างตัวมันเองขึ้นมาตัวมันเองพึ่งพึ่งตัวมันเองธรรมชาติพึ่งธรรมชาตินั่นเองนพอรู้เสร็จแล้วการตัวรู้เนี่ยมันรู้วิจิตรรู้พิสดารจิตมาจากคําวิจิตรรู้อัศจรรย์รู้รู้ไปทั่วเลยนะรู้มากรู้อะไระรู้ลึกรู้ซึ่งรู้รู้ติดกิเลสรู้หลุดพ้นจากกิเลสรู้ไปทั่วแต่ทีนี้ต้องฝึกมันทีนะ สี่ปัญญาต้องฝึกมันต้องให้ ร, รู้รู้แบบไม่ติดรูปแบบหลุดพ้นรูปแบบบริสุทธิ์อย่างแน่ถ้ารู้รักรู้ชังยินดียินร้ายยังรู้ติดอารมณ์รู้เป็นอุปทานยึดมั่นอยู่หัว <c> ใ <oughs> จอาจารย์ตัดว่านิพานังปรามังสุ ข, ขังพระนิพานในสุขอย่างยิ่งทีนี้เขามาตัดก่าอัศมิมาณส์วินโยเอตังเวปรามังสุขขังอัศมิมาณสะวินโยเอตังเวปรามังสุขขังความนำออกเสียได้ อย่างหมดจดสิ้นเชิงซึ่งความยึดมั่นสําคัญมั่นหมายในใจว่าตัวกูของกูตัวตนของตนนั่นแหละเป็นยอดสุขเลยนะก็คือเห็นกายกับใจไปรูปนำรูปธรรมนำธรรมบ้างจากตัวตนนั่นแหละเป็นยอดสุขนะมาตรงกับนิพพานนำครามมังสุขขังนะําออกนําความรู้สึกยึดมั่นในใจออกเราตัวกูของกูตัวมึงของมึงตัวเราของเราออกให้หมดนะนะั่นแหละนั่นแหละเป็นยอดสุขนเนยมันตรงกับตรงนี้เลย นี่พระนิพพานก็ว่างจากตัวตนสุญญตาไปว่างว่างจากกิเลสว่างจากความโลภว่างจากความหลงว่างจากเสร็จแล้วก็มาสรุปว่างจากตัวโมหะคือตัวหลงว่าเป็นตัวตนเนี่ยหลงว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนหรอก็ไม่ใช่เป็นธรรมะห็นีะทีนี้คนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ทุกข์ถูกติดคุกตัดคอนั่นก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นอาธรรมเป็นธรรมะฝ่ายก่อทุกข์ทีนี้ พวกเราประกวกระสิทธิอยู่นี่ยุคสุขสบายเนี่ยเป็นธรรมะเหมือนกันเป็นธรรมะฝ่ายพ้นทุกข์เลยนะเป็นธรรมะฝ่ายสติฝ่ายปัญญาพวกนั้นเป็นธรรมะฝ่ายโมหะราคะโทสะโมหะเป็นธรรมะฝ่ายบาปเป็นธรรมะฝ่ายชั่วเป็นธรรมะฝ่ายพิษเลยนะมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฐิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบถูกต้องชอบถูกต้องถูกต้องความพ้นทุกข์เลยนะสัมมาสังกปรดมิถุถูกต้องถูกต้องความพ้นทุกข์เลยนะสัมมาวาจา พูดจาชอบพูดจาชอบถูกต้องความพ้นทุกข์ น, ขนีสามมากรรมมันโตทําการงานชอบชอบถูกต้องถูกต้องความพ้นทุกข์สามมาวายาชีโวเลี้ยงชีวิตถูกต้องถูกต้องความพ้นทุกข์นี่ยสามมาวายาโมความเพียรชอบเพียรชอบถูกต้องความพ้นทุกข์นี่ยจินนี้ก็สามมาสติเราลึกชอบระลึกถูกความค้นทุกข์นี่ยสามมาสมาชิตตั้งใจมั่นชอบตั้งใจมั่นชอบถูกต้องความพ้ น, น, มมมพนทุกข์ น, น, น, ก น, น, นี่นั่นแหละ ลงตัวเดียวใช่ไหมเอทอินวันแปดรวมหนึ่งลงตัวเดียวคือว่าถูกต้องความพลุกพลุกนี่นนทั้งแปดอย่างมาถูกตัวเดียวนั่นแหละก็เลยเอกสมมักสมงังคีความสมัคคานความสมัครีกันเกิดอันนี้เอกเหมือนกันพวกเราทุกวันนี้ก็สมัครีกันใช่ไหมกิเลสมก็สมัครีกันพอเกิดโรคกดดันกดสงส์ก็สมัครขีทุกข์นี่เข้าใจไหมความทุกข์แก่เจ็บตายเกิดมาก็มีความสมัครีแก่ แกเหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนีส่สามสามัคคีแบบ อ, อันิีจังเหมือนกันสามัคคีทุกขงังสามัคคีอนตาเหมือนกันเป็นไปอย่างนั้นหมดทุกคนสามัคคีทั้ habla, งแหลมเหมือนกันเป็นอันเดียวกันรนะวมเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวกันหนึ่งคือความรูปนามหนึ่งเกิดขึ้นหนึ่งตั้งอยู่หนึ่งดับไปนี่เสร็จแล้วก็ไปอยู่อันเดียวกันไปจุกอบความว่างไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บเข้าไปสู่พระนิพพานใช่ไห ว่างจากความโลภความโกรธความหลงเห็นะที่นี่เกิดมาเลยก็เพื่อรู้พระนิพพานเองที่เขาสร้างมนุษย์หัวสูงปัญญาสูงความคิดสูงความสามารถสูงเนี่ยคือมาให้รู้ทุกข์แล้วก็ดับทุกข์แล้วก็อยู่แบบพนิพพานนั่นเองตายตายแก่แก่ แ, กแบบนิพพานเจ็บแบบนิพานาบบนพานตายเป็นิพพานแก่ไม่ทุกข์เจ็บไม่ทุกข์ตายไม่ทุกข์เนี่ยนี่คือให้ฝึกทธาตุรู้ให้รู้ตัวนี้นีเ่เรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตให้พ้นจากทุกข์เนี่ยภาวนาไปพระทำให้เจริญทําให้มาก ทําให้สูงขึ้นทําให้เนหนือ น, นี่คือภาวนานี่แหะบุญสูงสุดบุญในศาสนานี่ยละชั่วได้ก า, วายว่าใจใจไม่ไม่ทำความดีได้ก า, วายว่าใจใจแต่ไม่ติดไม่ติดในความดีนั้นแล้วก็จิตบริสุทธิ์เนี่ยจิตบริสุทธิ์ก็จิตลดท้นทุกข์เเนี่ยทีนี้พวกเรามาทําบุญขั้นสูงสุดนะทำภาวนาทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยพรจิตบริสุทธิ์แล้ที น, นี้มันกระทาความดีแบบบริสุทธิ์ละชั่วบรดุอ่าละความชั่ว ละความไม่ดีละความทุกจริญนะให้มันบริสุทธิ์ขึ้นไม่ทํามันนะทีนี้ทําชั่วชั่วเราไม่ทําเราไม่จิตไปแล้วรุดพ้นไปแล้วเนี่ยทำความดีทีนี้เขาว่าเราทําไม่ดีเราเฉยอย่างเงี้ยเราไม่โกรธเนี่ยนี่แหละเขียกชนะดีทําความดีก็อย่าติดดีปล่อยดีวางดีด้วยเนะอทําดีแล้วเขาว่าเราชั่วทําเราทําดีร้อเอร์ซเขาห่าว่าทําชั่วร้อยเปอร์เซเราไม่โกรธเฉยนะชนะดีนี่ปล่อยวางดีได้แล้วอยู่เนื้อดีเนี่ย อยนือดีก็จิตไว้บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ติดพ้นทุกข์ไม่ติดอารมณ์ไม่ติดอารมณ์ทีนี้พาณิพันธ์มีอยู่นะพาณิพานความพ้นทุกข์นั้นมีอยู่แต่ผู้ไปเดินพาณิพานธ์ไม่มีไม่มีตัวตนคนมีแต่มีแต่ธรรมะก็เรียกมีแต่อาการมีแต่ปัญญามีแต่ธานรู้ธานรู้ที่บริสุทธิ์ธานรู้คือสติธานรู้คือสัมปชัญญะเข้าไปกระทบความว่างจากกิเลส ว่างจากโลภจากโกรธจากโลงกันเน่ยเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกบรรุนิพพานปัญญาเจตสิกเจตสิกแปลว่าสิ่งที่เกิดกับใจเกิดกับจิตนั่นเองนะแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นมาให้มีปัญญาเกิดออกมาแล้วรู้ทุกข์เนี่ยแตนี่ถ้าเกิดโลภเกิดโกรธเกิดโลงก็เจตสิกเหมือนกันถ้ามันเกิดแลอย่างนั้นแล้มันเกิดเกิดให้ก่อให้เกิดทุกข์เนี่ยที่ปัญญาเจตสิกเกิดจากจิตที่เกิดจากใจเกิดจากธารู้นี่เป็นปัญญาเจตสิกที่ไม่เป็นทุกข์ ปัญญาเจตสิกกระทบภายใิพ่านทีนี้พวกเรากิเลสเจตสิกขึนเนี่ยกิเลสเจตสิกขึ้นมาคือตัวโลดตัวโกรธตัวหลงขึ้นมากระทบอ่าแล้วก็เป็นทุกข์ต่อไป น, นี้เราก็มาฝึกนี่ก็ฝึกให้เกิดปัญญาเจตสิกเกิดปัญญาตัวบริสุทธิ์เกิดสติบริสุทธิ์เกิดสปัญญาบริสุทธิญญ์คือรู้สื่อซื่อรู้เฉยเรู้เปล่าเปล่ารู้กลางกลางรู้ว่างว่ารู้ปกตินะรู้แบบสงบรู้แบบบริสุทธิ์นี่รู้ตัวนี้ฝึกตัวนี้แหละ ฝึกตัวรู้ส่วเนี่ยถ้ามันไม่มีถ้าไม่มีตัวรู้แล้วน่ ะ, นะก็หมดเรื่องเลยมีเหมือนไม่มีเลยทีเ น, น, นี้ยตัวรู้เนี่ยพอมันมีแล้วมีการอเกิดอาการรู้ขึ้นมามันก็ไปรู้ไปทั่วทีเนี้ยพอรู้แล้วไม่ติดรู้ทีเนี้ยคืออุปท า, านอย่าติดรู้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้เปล่าๆสักแต่ว่ารู้เฉยๆสักแต่ว่าเห็นเฉยๆสักแต่ว่าเข้าใจเฉยๆให้ทําตัวนี้น่ะให้ฝึกตัวนี้ไว้ถ้ากระทบปั๊บ อย่างเสียงคนโยมไอแล้วปับป๊บปับ๊ใจเราเฉยทีนี้มันก็รู้เองที่เกิดอาการไอขึ้นมาคืออะไรรูปเป็นทุกข์แล้วสินี้ดูนามสิดูใจสิถ้าใจเฉยโอ้โนามไม่เป็นโรคนามไม่เป็นทุกข์แล้วนามไม่อาพาธแล้วเข้าใจโอ้นี่พนทุกข์อย่างเงี้ยคนจะพ้นทุกข์เพราะใจไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะรูปเ น, นี่ยกายไม่พ้นหรอกมันเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ระงับดับทุกข์ให้มันชั่วขนาดเอาใจมาช่วยดับทุกข์ให้กายเช่ไหระงับดับทุกข์ชั่วขนาแต่ว่าใจเนี่ยถ้ารู้เนี่ย เวลวมันบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วมันจะหลุดค่อยๆเบาลงเบาบงหายไปหายไปทั้งไม่มีเกิดขึ้นเลยไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตในใจชาติสิ้นแล้วชาติกิเลสไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วใจเฉยๆซื่อๆไม่มีไม่มีไม่มีชาติดีใจชาติเสียใจชาติโรคชาติโกรธชาติหลงมันไม่เกิดขึ้นในใจนะชาติสิ้นแล้วนี่แหละคือชาติคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจะไม่มีความคิดเกิดขึ้นในใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจซื่อๆเฉยๆเขาเรียกว่าชาติสิ้นแล้ว แต่ว่าผู้เจ้าเมื่อพระชนอายุ3 5 0พรรษาตรัสรู้เนี่ยชาติสิ้นแล้วกิเลสสิ้นแล้วความทุกข์สิ้นแล้วไม่มาเกิดขึ้นในจิตใ จ, จพระองค์ยจะสอนพวกเรามา45ปีเมื่ออายุ80ปีจึงปรนินิพานเนี่ยจึงดับหมดทั้งขันดับทั้งกิเลสตอนอนายุ35ปีเขาเรียกกิเลสปรินิพานดับกิเลสดับความโลภความโกรธความหลงดับตัวนี้ดับความจิตเศร้ามองทีนี้ดับหมดเลยไม่มีเหลือแต่ว่าขันห้ายังเหลืออยู่ ยังเหลืออยู่ยเลยก็เลยเป็นรูปที่บริสุทธิ์เป็นสัญญาที่บริสุทธิ์เป็นเบสนาที่บริสุทธิ์เป็นสังขารความรู้คิดที่บริสุทธิ์เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์นี่นะทำหน้าที่สอนพวกเรามาจนกระทั่งวันนี้ทีนี้ผู้เจ้าไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายถ้าใจเรามีสติสัญญาไปรู้ใจใจไม่ทุกข์นี่เห็นผู้เจ้าแล้วเห็นพรนิพพานแล้วเห็นพระละหันแล้วพระละหันก็คือพระนิพานนั่นเองคือสภาวะจิตที่ไม่เป็นทุกนั่นเองนั่นนะพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์รวมลงทีัน ถ้าเห็นจิตของใจของเราไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือเห็นพระพุทธเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์เห็นพระนิพพานแล้วเห็นอาการว่างทุกข์แล้วให้รู้ให้เห็นตรงนี้ะให้รู้เห็นตรงนี้ทีนี้ก็เราก็ฝึกเนี่ยมันจะดูได้ก็เกิดการจากการกระทําคือการจากความเพียเพรเผากิเลสที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพียรไปเพียรไปมันจะเผาเองเกิดฝึกตัวรู้ให้คล่องแค่วว่องไวขึ้นมาฝึกตัวสติสัพจัญญาความรู้สึกตัวทุกขพร้อมเนี่ย ความรู้สึกตัวที่พร้อมสติสัพพัญญะหลวงพ่อเทียนพูดคําเดียว่าความรู้สึกตัวมารวบยอดอยู่ตรงนี้เลยความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวความรู้สึกธรรมะนี่แหละรู้สึกธรรมะรูปธรรมกายนี่แหละเนี่ยแต่ว่าพูดภาษาสมมุติว่าความรู้สึกตัวจริงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหลวงพ่อหลางพ่อช้าพูดว่ารู้จักตัวตนที่แท้จริงคือรู้จักตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยรู้จักว่าตัวตนไม่ใช่ตัวตนนั่นคืออยากรู้จักตัวตนที่แท้จริง ว่รู้จักตัวตนตัวตนเป็นรูปเป็นนามเป็นธรรมะเป็นอนิจจังทุกขังตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเนี่ยนี่ก็รู้ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนตัวตนไม่เป็นตัวตนตัวตนไม่มีตัวตนรู้จักความว่างของตัวตนนั่นเองเขาเรียกว่ารู้จักตัวตนที่แท้จริง่ารู้แล้วมันหลุดพ้นทุกเนี่ยเนี่ยเาเรียกว่ารู้รู้ธรรมะอ่ารู้สินี่ธรรมะกายกับใจเนี่ยเป็นธรรมะอยู่แล้ว ธรรมวาจาคำพูดเนี่ยธรรมใจคือท่านุรู้ธรรมากายก็คือรูปร่างกายแขนขาเนี่ยธรรมารูปธรรมกายตอน ท, ทีนี้เรามาพัฒนาพัฒนาภาวน า, ภ า, ภาแปลว่าบริหารมันบริหารจิตยังไงเวลามันคิดอย่าคิดด้วยความโลภความโกรธความหลงเนะีเวลามันพูดอย่าพูดให้เกิดทุกข์อย่าพูดด้วยความโลภความโกรธความหลงเวลามันทะําทางกายมันแสดงเลยอย่าทำด้วยความโลภความโกรธความหลงอจะทําด้วยทุกขนะ์นี่ทําอย่างเงี้ยทำด้วยจิตว่าง คิดด้วยจิ ต, ตว่างพูดด้วยจิตว่างทําด้วยจิตว่างทําการงานทุกชนิดด้วยจิตว่างว่างจากตัวกูของกูว่างจ า, people, จากกิเล<ม> um. สว่างจากความจิตมั่นถือมั่นว่างจากความหลงเองทําอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็พูดว่ากินพูดคิดทํากับนิพพานไปไหนมาไหนไปกับพระนิพพานไปกับความไม่มีทุกข์นั่นเองนี่ก็เหมือนกันเราสรุปอย่างนี้ที่มาทุกวันเนี่ยก็เกิดวเรานํามาโชคดีเนี่ได้ทำบุญขั้นสูงสุดเคใช่ไหม ได้ทำบุญได้เดินตามพุทธเจ้าเดินตามไม่ใช่อาขาเดินตามแต่เอาปัญญาเดินตามเนี่ยตามรอยพุทธบาทเนี่ยหลวงพ่อเกิดที่จังหวัดสระบุรีจะรอยพุทธบาทเขาบอกให้กาบ พ, พุทธบาทห้าครั้งไม่ตกตัวรขึ้นสวรรค์โอ้ยกาบจนหัวแตกนะจนหน้าผากแตกก็ไม่ถึงเลยคมาทีนี้เราจะเราจะกาบทั้งพุทธเจ้าเนี่ยราบด้วยใจว่างทุกๆๆเนี่ยกาบด้วยความรู้สึกซื่อเฉยเเนี่ยจะถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เยกาบด้วยม่ไม่อยากไม่ยึดไม่ยุ่งอะไรไม่หวังอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกราบตรงนี้ถึงจะถึงเลนะที่ประกาศแล้วกาบพระพุทธากาบพระพุทธรูปแล้วก็ขอให้ได้นิพพานชาติหน้าอ่าก็แล้วการอะไร อ, อ, อ, อนาคตตกาเลยนะ่ะทายกปรัชนาผิดนะต้องปฏิป จ, จุบันเนกาเลยต้องปัจจุบันนี้สิเอาที่นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่เขาว่าพระนิพพานเป็นจักรวาลทองจักรวาลเพชรสวรรค์เป็นจักรวาลทองก็เป็นนะั่เขาหลอกเรา เขาหลอกก็ทีนี้จะได้นิพานต้องทําบุญเห็นไหมหมดเนื้อหมดตัวมีแสนมีล้านทําให้หมดเนลยซื้อนิพานทีนี้พู้เจา้าถามว่านัทธาวุ ท, า น, ท า, น า, า, น า, านนิพพิจิณพุทธมาฑนภาพนิพานความพ้นทุกข์เป็นสิ่งได้มาเป่าๆฟรีๆไม่ต้องซื้อได้เงินดงได้ทองได้ข้าวได้ของอะไรทาเอาสติปัญญาเข้าไปรู้เอาเข้าไปเห็นเอาเนี่ยทีน่นี้ทีนี้บางแห่งเนาะเขาบอกว่าจะไปนิพานต้องทําบุญให้หมดเนื้อหมดตัวน่ะมีเท่าไหร่มีล้าน ทำให้หมดเนี่ยเนี่ยเป็การซื้อนี่ผ่านในการขายนี่ผ่านเนี่ยนะคนโง่ก็เลยซื้อกันใหญ่เลยต้องการนี่ผ่านชาแนลเองที่คนฉลาดเลยก็ไม่ต้องทําตามกิเลสต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยอย่างไปอยากโกรธเนี่ยอยากจะฆ่าเขาเนี่ยต้องเอาเงินไปจ้างมือปืนมาฆ่าเห็นไหมต้องเสียเงินเสียทองเห็นไหมแต่ว่าละความโกรธเนี่ยไม่ต้องเสียมาไม่ตบบาทเดียวเลยเนี่ยละความโรคความโกรธความหลงไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียอะไรเพียงแต่หยุดมันเฉยหยุดไม่คิดหยุดไม่นึกหยุดไม่ทําตามมันเฉย เข้าใจไหมอยากจะฆ่าเขาอยากจะรวยอยากจะเอาเปียบเขาต้องไปจ้างคนต้องสร้างสินค้าอะไรมาหลอกลวงให้เขาซื้อให้เขาติดใช่ไหมต้องไปเต้นราทําเพลงอะไรให้เขาหลงเอให้เขาเอาเงินมาจ้างเราเห็นไหมเสร็จแล้วพวกนั้นก็เหมือนกันจ้างแล้วก็เอาเงินไปกินเหล้ามายาอะไรการพนันต่อไปนะนะนะนะนะกิเลสจ้างกิเลสใช่ไหทุกจ้างทุกไปใช่ไนะแต่พวกเราเนี่ไม่ต้องจ้างอะไรนะใช้ทําเองนะ ทำเองพึ่งตัวเองละกิเลสโลภกุลงที่กายวาจาัใจไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าเสียของอลไแต่ว่าเราทําบุญต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าเสียของเพื่ออุดหนุนผู้ที่ปฏิบัติทีไม่ต้องมายุ่งยากกับการหาปัจจัยสีนะให้เขาปฏิบัติเป็นตรงๆสําเร็จโดยไวยแล้วเขาจะได้เอาธรรมะที่พ้ทุกข์นมาสอนพวกเราเนี่ยก็เรียกว่ามันทําด้วยปัญญาหลวงปเทียนมีคนชมหลวงปเทียนว่าหลวงพ่อมีเมตตาอย่างสูงสุดใช่ไหมสอนคนเอาเป็นอาตายจะตายอยู่ยังไม่กลัวตาย เบียบว่าเขาสอนเวลาเขามาให้ปรึกษาธรรมะลุกขึ้นก็ะปี้กระเป๋าสอนเลยอย่งไม่มีทุกข์เลยไม่ใช่ท่รรานบอกปัญญาภาสอนว่รราปัญญาภาสอนตัวปนะัญญาเป็นเมตตากรุณาพุทธวเสาขาเป็นอะไรหมดทั้งหมดเลยนะนะตัวปัญญาภาสอนเหมือนท่านบอกตัวปัญญาตัวพัิพานตัวความพ้นทุกข์มันภาสอนนวลนี่เหมือนกันก็ทํางานทุกชนิดโดยจิตว่างสอนเขาด้วยความไม่ทุกข์เนะี่ยด้วยความไม่ทุกขนะ์จะสอนเขาปฏิบัติเล้วก็จะว่าหลวพ่อ คำเขียก็พูดซับซึงอยู่คนหนึ่งอัตพ่อขึ้นอเคยได้ยินนี่นะขอบคุณความทุกข์ขอบคุณคนโง่ขอบคุณคนที่กิเลสลบกดหลงคนคนทุกข์จัดแสดงกิริยามารยาทเร็วําให้เราดูนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณคืออะไรมันมาเตือนสติให้เราเราหายโกรธหรือยังหายโลบหรือยังเราหายพ้นคนหยาบหยาบคายหรือยังหายหายจากคนพอมีทุกข์หรือยังมันมาเตือนสติเราเนี่ก็เลยเข้าสักลักษณะนี้ว่า เอาทุกสิ่งเป็นอาจารย์เป็นครูสอนทั้งหมดนะพระเจ้า ก, ก็เอาความแก่ความเจ็บความตายของคนมาเป็นครูสอนอย่างเงออกมาบวชนะเราจมาพ้นคบความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความไม่ทุกข์ไงนั่นแหละพวกคนปัญญาดีกลับร้ายกลายเป็นดีนี่กลับขี้ให้เป็นปุ๋ยให้เลยนะพวกนี้เขาเรียกว่าวมีสติปัญญาพวกที่กลับสุขเป็นทุกข์เนี่ยกลับดีเป็นชั่วเนี่ยพวกนี้งโง่ไม่มีสติปัญญาหลวงพ่อคำแขียนก็พูดอยู่คำหนึ่งกดจัดลบจัดหลงจัดเนี่ยคืออตัวโง่เองอะ ตัวโง่มันแสดงออกมาสักว่าอยงนี้คือโง่เนี่ยโกดก็โง่รักก็โง่ชังก็โง่ยินดีก็โง่ยินไลก็โง่เนี่ยโง่หมดเะ้คือตัวโง่คุยตัวหลงนั่เองที่ลวพ่อเทียนพูดอีกคำนึรอครับหลวงพ่เทียนพูดอีกคำหนึ่งพูดคาอะไรที่มันบอกว่าบ้าตัวโกรตัวโกดตัวหลงตัวยึดตัวอยากนี่คือตัวบ้าคือตัวบ้าคือตัวบ้าจริงที่เมื่อไรพวกแกพวกเราเนี่ยเวลาทาจิต อให้สวยจิตสวยนี่คือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตพ้นทุกข์ก็เรียก b e a u t y ฟู l ใหมก็มีอยู่คำหนึ่ง beautyful ใหมก็พวกเรานี่อักรีไมค์เลยใจโลดใจโกรธใจหลงใจอิจฉาพยาบาทอยู่เลอักริไมค์ใจน่าเกลียดอยู่เรื่อยเลยสวยแต่หน้า b e a u t y ฟ u l face นี่นสวยจะหน้าแต่ว่าไมอักริไมคนี่ไม่น่าเกลียดเลยนะใจไม่สวยนี่ต้องใจสวยที่มาปฏิบัติทำนี่ทําให้ใจสวยขึ้นเนี่ยเสริมสวยให้เสริมสวยให้ใจขึ้น เสริมสวยให้ใจสะอาดใจสว่างใจสงบใจพ้นทุกข์ขอให้ท่านทุกท่านจงมีสติปัญญาดับทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจา้าเหมือนน้องพ่อเทียนหรือพวกกรรมเขียนเหมือนข่าครูบาอาจารย์สายพลวงปูเทียนนี่ยด้วยกันทุกท่านเทิน